พระวินัยปิโดกมหาวัฏภาคหนึ่งขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งมหาคันภักกะหนึ่งโพธิกถาว่าด้วยเหตุการณ์แรกตัดสรู้ณข่วงต้นโพธิพฤกเรื่องทรงมนาสิการปฏิจจสมุปบาทข้อหนึ่งสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเมื่อแรกตัสรู้ประทับอยู่นคกวงต้นโพธิพฤกษ์ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเขตตำบลภูรุเวลาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ประทับนั่งโดยบรลลังก์เดียวเสวยวิมุติสุขอยู่นคกวงต้นโพธิพฤกษ์เป็นเวลาเจดวันทีนั้นพระผู้มีพระภาคทรงมนสิการปฏิจจสมุป บ, บาทโดยอนุโลมและปฏิโลม ตลอดปฐมยามแห่งราตรีว่า